50 languages. s i บสสีด i น a n g a l h i m a s i ขาวฟันนีเวลลายองก์ l ุ่นละดุพระอาทิตย e ส n g சூரியன் மஞ்சளாக உள்ளது. ச ้มสีส้ม ஆரஞ்சு பழம் ஆரஞ்சு ந ி ர ம ா க உள்ளது. चेरी สีแดง च े र ி பழம் சிவப்பாக உள்ளது. ท้องฟ้าสีฟ้า வானம் நீலமாக உள்ளது. ย่าสีเขียวปุลปัจ ช, ชยอกุ乌鲁ดิดินสีน้ำตาลบูมิงินนิรัมปลุปปุแมกสีเทาเมกตินนิรัมซอมบลยางรถสีดำไทยร์ลนนิรัมคารุปุ หิมะมีสีอะไรสีขาวปานีเย็นนิรมบลเลยพระอาทิตย์มีสีอะไรสีเหลืองสุริยันย็นนิรมมันจลัลส้มมีสีอะไรสีส้อมออรเรนจ์พัลลัย็นนิรม อันจนิรัเชอร์รี่มีสีอะไรสีแดงเชอร์รี่พอดมเย็นน่ะเนรัสีวปุท้องฟ้ามีสีอะไรสีฟ้าวอานมเยนนะเนรนีลํหญ้ามีสีอะไรสีเขียว พุลยันนารมปัจชัยดินมีสีอะไรสีน้ำตาลบูมิยันนารมปลัลปุเมฆมีสีอะไรสีเทาเมกมยันนารมสอมบลัลเนรมยางรถมีสีอะไรสีดำ தாயர்கள் உருளிப் பட்டிகள் என்ன நிறம் கருப்பு